อะไรการบรรยายเรื่องการแผ่เมตตาในพระพุทธศาสนาวันนี้จะเป็นการบรรยายคงจะเป็นภาตทฤษฎีรุนรุนนะครับแต่ก็เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายในช่วงนี้ซึ่งเราจะเว้นไปหนึ่งเดือนได้นาําเอาพระสูตรที่ต้องนับว่าเป็นพระสูตรสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาซึ่งทางโบราณจารย์ซึ่งหมายถึงในทางสงฆ์เนี่ย ได้นำเอาไปใช้เป็นปริสเรียกว่าสูตรปริสปริสนั้น ม, มีความหมายว่าเครื่องคลุมครองตัวเครื่องคลุมคลองตัวเครื่องคลุมครองตัวที่กล่าวถึงนี้โดยสภาพแล้วก็เหมือนกับออกมาในรูปของคาถาอาคมนะฮะผมคงจะต้องบอกยืนยันไว้ในเบื้องต้นว่า ลักษณะของเครื่องคุมงของตัวที่ใช้ในรูปของคาถาคมเนี่ยได้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าแล้วและก็พุทธเจ้านี่แหละครับเป็นผู้ที่ทรงแนะให้ใช้ในเรื่องนี้ซึ่งเราอาจจะมีความกังขาว่าทําไมไม่ให้ใช้ธรรมะทำไมถึงมาใช้ในรูปของคาถาคมเพราะว่าเรื่องคาถาคมเนี่ยเมื่อเราพูดถึงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องทางต่ํา แต่ก็คงจะต้องตอบเลยว่าคาถาอาคมที่ใช้ในทางพุทธศาสนานั้นจะออกมาในรูปของเรื่องของธรรมะที่อถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องพวกเครื่องรางของขลังนะฮะที่ทีพระที่ท่านมีความสามารถทางจิตท่านทำกันแล้วจะเห็นว่าเอพระที่ไปเดินธุดงค์ที่เป็นพระมือใหม่เนี่ยก็ยังใช้ยังใช้คาถาอาคมกอาชาคาราคมด้วยแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นที่รู้กันเลยนะในหมู่พระเดินธุดงค์เนี่ย ถ้าใครคุณเคยก็ลองถามอยู่แต่รับท่านจะรู้แต่ว่าทำไมถามที่ท่านไม่บอกแล้วก็บางทีก็มีพวกวัตถุประจุริบที่ครูบาอาจารย์ให้มาเอามาใช้บางอย่างนั่นก็อาจจะได้จากในป่าในเขาที่เทวดามีความหมู่ใหญ่ก็เอามาให้แล้วท่านจะใช้แล้วท่า น, นเงียบๆใกลที่ไม่คุ้นอที่พอจะเล่าได้ท่า น, นก็ไม่บอกบอกแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับางทีไปเจอคนเชื่อเขาก็โลภเอาอยากจะได้ของของลาไปไอ้คนไม่เชื่อก็ รอยมารู้สึกไม่ดีกับระไม่ดีกับศาสนาอีกคือไอ้จริงเหล่าเนี้ยความจริงเล่าได้นะเรื่องปริศเนี่ยก็นึกว่ามีโอกาสในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าจะลองเอาเรื่องปริศเนี่ยมาอธิบายสักครั้งหนึ่งอธิบายในเรื่องในรูปวิชาการสาไปถึงที่มาว่าอย่างลักษณะของการสวดที่เรียกว่าสวจทันญักษ์เนี่ยเป็นเรื่องนอกศาสนาหรือ ว, ว่าเป็นเรื่องมีในศาสนาความจริงต้องมีแต่ว่าใช้แล้วก็มีการขยายตัวกันออกมาเป็นลักษณะอื่นนะฮะ พระประลิทธิ์ที่เรียกว่าอานาธิยสูตรเนี่ยเป็นปรปิทธอันหนึ่งที่ที่หัวหน้าเทวดาคือผู้ไงว่าผู้ปกครองผู้สาสาผีปีศาจตามภูเขาลำเนาไพรเนี่ยเขาห่วงใหญ่พระก็เลยมอบคาถานี้วันนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นเป็นบักเบ่งที่เราเรียกในภาษาธรรมดาเนี่ยให้ให้พระเอาไปสรวจสวดแล้วในบทนั้นจะมีบทค่าโทษด้วยเว่าถ้าผู้ใดสรวจบทนี้แล้วก็ผีไม่ยอมบลามือ จะ ต, ต้องถูกลงโทษมันก็กลัวสิใช่ไหมลนะ่ะวกผีมันก็เหมือนมนุษย์แหละตาพวกคู่ใหญ่หรอกอย่างงูยอย่างนี้มาใกลมันจะกล้าเดี๋ยวโดนปลดออกจากตำแหน่งเดี๋ยวโดนโลงโทษเนี่ยเหมือนกันก็เลยเกิดฐานาาฏยารักษาเขาเรียกว่ารักษารักษาเครื่องรักษาเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาแล้วก็เลยกลายเป็นตำเนียมเอามาตลัวกันเสียงยืดเสียงยาวนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเดิมเป็นเรื่องของใหมอ่อันนั้นก็ถือเป็นประวิันหนึ่ง นี่ก็เป็นปริศอันหนึ่งเพราะนั้นลังปริศเนี่ยจะมีพลังทั้งในลักษณะพลังของออกมาในรูปของของอำนาจรุนแรงนะคือพลังเบ่งอย่างอนาธิヤรัก ษ, ษาเนี่ยเป็นพลังเบ่งพลังใช้อำนาจใช้ประเดชนเพื่อพลังในทางประเดชแต่ว่าอำนาจของปริศสองอย่างที่เราคัดมาเนี่ยเป็นพลังอำนาจในเชิงพระคุณเชิงพระคุณก็หมายถึงว่าใช้อำนาจในทางคุณธรรมทางเมตตาใจดีเข้าสู้เพราะนั้น ประสองเรื่องเนี่ยจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าเทศเองอ่ะจริงเป็นเรื่องที่เ อ, อทรงประธานทั้งธรรมะทั้งอํานาจคุมครองตัวไว้ได้วยกันมันจะมี อ, อคุณสมบัติอยู่สามอย่างในในในประสูทธเนี่ยนะในประวิทิเนี่ยคือหนึ่งเป็นอํานาจประิทธิอนาจปริท น, นี่หมายถึงอํานาจในทางในทางหลัง ใช้ออกในลูกขลังเหมือนเราแผเมตาในบางทีคนแพลมาติดเจอผีเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้เมตามแปลว่าอะไรก็สัตว์เพศสัตตาสองมันก็เกิดพลังทางขลังทําให้ให้เกิดการยับยั้งอะไรเกิดขึ้นได้นะฮะ อ, อ, อย่างกรณีเมตสูตรนี่นะท่านบอกว่าเป็นพลังในทางบริลิศด้วยคือพลังทางขลังด้วยแล้วก็สองเป็นพลังธรรมพลังธรรมเนหมายถางว่า พลังทมที่เราใช้กับคนอื่นไม่แก่แผ่เมตตาเอย่าเราแผ่เมตตาเนี่ถือว่าเราใช้ในเชิงพลังคือผมก็ต้องบอกว่าที่เราพูดพูดกันมาเนี่ยเรามุ่งในเชิงพลังนทำนะฮะไม่ได้มุ่งในเชิงบริตไม่ได้เชิงอํานาจทักสิณนี่เป็ น, เ ป, นเป็นคุณสมบัติที่สองคุณสมบัติที่สามก็คือเป็นการให้มรรควิธีทางธรรมะหมายาว่าไม่ใช่ว่าเราไปสวดกรณีเมตตาสูตรขันธปริศ เพื er honestly, uates, own, strong, ่อที่จะแผ่เมตตาแล้วแผ่ไปทําไมก็อาจจะบอกว่าเหตุใายคือทําให้เขารักให้เขารักไปทําไมแล้วทําไมต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาให้ไปเผชิญเสือสิ้งกระทิ้งแด่แล้วก็ไปแผ่เมตตาให้ไม่เกิดเหตุเพศ่อตกับสิ่งเหล่านั้นทําไมเนี่ยมันมีความมุ่งหมายในทางลึกหรือทางระยะไกลอยู่เพราะฉะนั้นกรณียเมตตาสูตรก็ดีสันดาสูตรนี่ก็ดีท่านสอนเพื่อผลในทางพุทธิเดียกว่าเป็นตาชกัน เป็นปาทักกาศคือเป็นวิธีฝึกสมาธิการแผ่เมตตาในจริงๆเนี่ยมันหมายถึงการฝึกสมาธิด้วยเป็นวิธีฝึกสมาธิอย่างหนึ่งในวิสุทธิมรรคเนี่ยวิธีทําสมาธิมีสี่สิบแล้วก็ในสี่สิบนั้นการแผ่เมตตาเป็นวิธีหนึ่งทําให้บุคคลได้ฌานได้ทีนี้เมื่อได้ฌานแล้วจะเอาฌานไปทำอะไรนั่นก็ก็ยังว่างกระเบียดขั้นก็โดยมากถ้เป็นอย่าง คติของทางพระพุทธศาสนาเราแท้ๆเนี่ยก็เอาไปเป็นบาทต่อวิปัสสนาเลยเป็นอันว่าพระปริตคือกรณีเมตสูตรขันตสูตรนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พระที่มุ่งจะไปสแสวงหาโมกธรรมในป่าเรียนเรื่องเมตตาเรียนเรื่องการแผ่เมตตาเพื่ออำนวยความสะดวก ในการอยู่ปฏิบัติทําให้เรียบร้อยเนี่ยห น, นึ่ง น, นอกจากอํานวยความสะดวกแล้วยังทําให้เราเนี่ยได้ธรรมะคือแผ่เมตตาจนได้สมาธิแล้วก็ต่อวิปัสสนาบรรลุปเป็นอริยะบุคคลได้นี่คือผลเป็นขั้นการของการแผ่เมตตานั้นว่าไปแล้วเนี่ยการแผ่เมตตาเนี่ยผลว่าทาให้เขารักทําให้อันนี้สองสิบเอ็ดอย่างอย่างที่เราว่ามาเมื่อคราที่แล้วเกิดขึ้นเนี่ย หลายๆข้อเนี่ยครับมันเป็นเพียงสะเกตผลเป็นผลพลอยได้เล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มีสาระอะไรมากสูกไม่สูงพูดในแง่ธรรมะานะแต่ว่าคนจะเป็นจะตายมันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าผลที่สําคัญนะั่นคือทําให้เราได้สมาธิจิตทําให้เราได้ธรรมะในเบื้องสูงนั่นคือผลสุดท้ายของการแผ่เมตตา ีนี้คนเวลาเรียนแล้วเวลาแปลแล้วอาจจะไปนเน้นตรงไหนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แต่ละคนมีความมุ่งหวังแตกต่างกันออกไปการเมียเมตตสูตรเกิดขึ้นเพราะอะไรนี่เป็นที่มาที่ไปจากเรื่องเดิมในสมัยพระบุตรยาที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกผมจะลองอ่านให้ฟังก็ได้นะ อ, อหรือไม่อ่านดีกว่ามันเป็นเรื่องอ่านแล้วจะยืดยาวเป็นว่ามา ในการก่อนเข้ารันษาพระกลุ่มหนึ่งเป็นจานวนมากได้มาเ้ากับผู้มีพระภาคขอกมาานเพื่อที่จะพากันไปสู่ป่าพระพุทธเจ้าพระทรงประทานกนมาถามให้ตั้งหลายร้อยอย่างนะครคือหมายก็ว่าแต่ละคนแต่ละคนแต่ละอย่างต่างกันไปพระเหล่านั้นก็พากันไปโดยมีสังกะเถระ เ, ะเนนป็นหนาไปที่เชิงผาหินมะผา ไฟ ป, ปฏิบัติทำกันอยู่ที่นั้นปฏิบัติอยู่ได้เพียงแค่สามสี่วันเท่านั้นเกิดเรื่องคจริงมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันแรกๆแล้นะแต่ว่าพอถึงสามสวันมันเกิดเรื่องจึงกระทั่งต้องต้องออกมาจากที่พำนักที่ปฏิบัติตัวที่แต่ละองค์หลีกเล้งขึ้นอยู่มาสู่ที่พักของพระสังคาเทระพระสังคเทระก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระสังคเทระท่านคงมีตะบะดีหน่อยไม่ไม่เดือดร้อนที่เหลือนอกนั้นก็ตะบะอ่อนหน่อยก็เดือดร้อน ทางทะเลเก็ถามว่าเอ hey, นี่พวกคุณไอ ต, ตอนที่เรามากันเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ธรรมะสูงแต่ว่าอินทรีย์เราก็ผ่องไสร่างกายแข็งแร ง, แ, รงแต่บัดนี้เนี่ยไม่เห็นกันแค่สามสี่วันทําไมสาระละรูกแต่ละองค์แต่ละองค์งเนี่ยดูไม่ได้เลยคือบางองค์ก็พร้อมเหลืองบางองค์ก็เอ่อาทเดียวนี้ก็เรียกว่าอ่าผมผมโกรนนะหัวโกรนก็งั้นนะแต่ว่าพระนั่นก็โกรนก็ั้นอยู่แล้ว ก็ไม่เห็นเป็นที่ชัดเจนบางองค์ก็หน้าตาซีดเสียวเกิดไอ้ภาวะทาง จ, จิตใจผิดปกติไปบางองค์ก็มีอาการปวดหัวมาคนละอย่างสองอย่างแต่ละคนก็มาเล่าเรื่องประสบการณ์อันน่าสะพึงกลัวในลักษณะต่างกันบ้างแต่ว่าก็ใกล้ๆกันคือว่าบางองค์อยู่ไม่ได้เพราะว่าโดนผีหลอกทุกคืนผีหัวขาดก็มีแล้วผีบางองค์ก็โดน ผีน่าเกลียดน่ากลัวคือตาถลนตาแดงเขียวงงแลบลิ้งกลิ้นตาบางองค์ก็ได้กลิ่นเหม็นเหม็นจนพวกแสกพวกแตเหมือนเครียดก็สรุปแล้วแต่ละคนเนี่ยเจอภาพที่น่าสยดสยองจากที่พักของตนของตนนี่มันอะไรกันแต่ว่าพระก็พูดว่าผีหลอกยักษ์หลอกผีหลอกยักษ์หลอก ยังไม่ตอนนี้นะัเขา้าพรรษาแล้วนะก็เวลาเขา้าพรรษาเนี่ยันไหนท่านให้ความรู้หน่อยว่าจะต้องอยู่ยังไงและจะไปไหนจะกลับเมื่อไหร่คือว่าพระพวกนี้โดนผีหลอกจนแพ้พรรษ า, าปกติของพระเขา้าพรรษาในยเมื่อกำหนดก็จะกาหนดสถานที่กําหนดว่า สถานที่นี้ถ้สมมติเป็นโบสถ์เราก็ว่าออกชื่อโบสถ์ถ้าเป็นวัดก็ออกชื่อวัดว่าบริเวณนี้จากที่ตรงนี้ถึงที่ตรงนั้นข้าพเจ้าจะขออยู่จำพรรษานี้จะไม่จากไปจากที่นี่เรื่อมีความจำเป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นเพราะว่ามือยาดเยืเนทั้งหลายได้นิมนต์ให้ไปเทศไปสแสดงธรรมก็สัตหะไปได้คําว่าสัตหะคือลาไป เจ็ดวันต้องกลับมาค้างคืนมามาค้างคืนถ้าจะต่อก็หมาว่าค้างหนึ่งคืนแล้วก็สัตหา่อไปสลาไปก็มีสืวอย่างหนึ่งสองไปแสะดะหนึ่งไปแสดงธรรมสองไปดูแลพ่อแม่ของพระที่ท่านป่วยเข้เจ็บอะไรเหล่านี้ก็ไปดูแลสามก็ไปหาของสิ่งของที่จะต้องซ่อมสลาอาคารต่างๆถ้ามีความจําเป็น ก็ไปบ้าเสือมีพระวิปุกเกิดความกำหนัดขึ้นมาคิดอยากจะสุดถ้าเราสามารถที่จะไปพูดให้ท่านสุดได้ก็เป็นก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสัตยะไปพูดไปบอกที่สืออย่างเดียก่อนไปพูดให้มันให้สุดอย่างให้สึดนะเพื่อให้กำลังใจกับท่านเพื่อให้ท่านเลิกสุดเดีกอนก็เืออย่างนั่นที่ว่ามานี่เฉียกอนและถ้าโดนผีหลอก ก็บอกได้เลยว่าโดยพี่หลอกไปที่พระนี่พอมาถึงสังฆเถละนี่ท่านแก้ปัญหาไม่จกนะคือผู้นับพะสังฆเถละไม่มีพลังที่จะรู้สาเหตุแล้วก็แก้ปัญหาได้จกก็จึงพาพระสงฆ์เนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงที่เฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสัตยพักพวงวันนี้ยังไม่ออกภาษาทำไมออกจากที่จาำภาษามาเรียนเล่าเธออยู่ที่ไหนในภาษาก็อยู่ที่นั่นสิ พระสารกเทล่าก็กล่าบทูนว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนําคือประธานเทศนาการณียเมตสุเนี่ยว่าผีที่หลอกลระเนี่ยแท้ที่จริงแล้วคือใครรู้ไหมไม่ใช่ผีจริงรอ่ะมันก็เหมือนไอ้ไอ้ผีมาเข้าแล้วบอกเป็นเทวดาก็ไม่ใช่เทวดาจริงอย่างเดี ย, น, ยนะสมัยก่อนก็มีผีที่มาหลอกมาหลอกคนแล้วก็อพิธีไม่จะไม่จะผีเป็นเป็นเทวดา เพราะว่าพระเนี่ยเวลาท่านไปท่านก็ไปอยู่โคนต้นไม้ลุกลุกมูลเป็นเทนาสาะที uh ่หางายหรืออาจจะอยู่ที่ใดใดดิกมีเทวดาอยู่โดยมาก็อยู่บนต้นไม้เทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ที่เรียกว่าลุกเทวดาเนี่ยนะก็เกรงใจพระแต่อแจารว่าในนั้นท่านบอกว่าตบากของพระเสียของพระเนี่ยทําให้เทวดาไม่สามารถจะอยู่บนต้นไม้ได้ก็พากันลงมาอยู่กลางในกัมปีว่า พาลูกพาหลานพาคนในครอบครัวที่อยู่ในวิมานตัวนะั้นมาอยู่ข้างล่างเหมือนกับว่ามีพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่มาอยู่ที่บ้านใดเจ้าของบ้านอยู่บนบ้านไม่ได้ต้องมาอยู่ข้างล่างก็จะไป น, นอนร่วมไม่ได้เพราะว่าไม่ปลอดภยัยหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยนะเป็นอสรุปว่าเป็นบรารมีของพระราชานี้อยู่วันหนึ่งก็แล้วพระก็ยังไม่ไปเทวดาไม่รู้เรื่องว่าพระจะมาอยู่ยังไงแค่ไหนไม่รู้ว่าเข้ากันสายยังไง สองวันก็ไม่ไปทำยังไงดีทำยั้ไงจะให้พระไปดิจะไล่พระก็ <c oughs> เลยออกอุบายว่าต้องทำให้พระกลัวคนเราเนี่ยเมื่อกลัวแล้วก็ต้องไปครับอย่าว่าแต่ต้นไม้ของเราเลยแม้แต่กุฏิของพระเองเนี่ยหลอกดีๆพระก็ทิ้งกุฏิตัวเองได้ ก, ก็เลยวางแผนกัว่าอา้าใครจะหลอกแบบไหนแบบไหนไม่ทาแบบกันนะพระจะได้ หนีอกสั่งขวันหายก็ได้ผลจริงจริงพ อ, อมาฟ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าสาเหตุอันนี้ทีนี้เมื่อเล่าสาเหตุอย่างนี้แล้วก็พระสังฆเถระก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจะไปอยู่ที่ไหน่อันนี้ก็ได้ความรู้ในเรื่องสัตปายะของการปฏิบัติดี่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดรู้ ว่าสถานที่แห่งนี้นะเป็นสัปปายะของภิกษุพวกนี้ถ้าภิกษุพวกนี้หวังการบรรลุธรรมจะต้องไปอยู่ปฏิบัติที่นี่ก็จึงบอกว่าที่ที่เป็นสัปปายะแก่ธรรมของพวกเธอไม่มีที่อื่นกลับไปอยู่ที่นี่แหละพอพอได้กลับไปอยู่ที่นี่ก็คงจะใจหายแว บ, บเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านมีเครื่องรักษา เพราะฉะนั้นเธอจงเรียนปริศที่เราจะแสดงให้ฟังต่อไปดีและเอาไปใช้เอาไปใช้เพื่อรักษาตัวเองหนึ่งหรือใช้ในทางขลังคือว่าถ้าใครแผ่วิธีใช้เนี่ยถ้าใช้อย่างในทางขลังเนีง่ายหน่อยะง่ายในแง่ที่ว่าเราเองถ้าหากว่าเมตตาจิตยังไม่เกิดเลี่ยนะเหมือนละเหมือนคนเล่นปลาก็เล่นปลาเหมือนว่าใช้ปลาทางขลังเนี่ยไม่ต้องรู้เรื่องอะไรแล้วครับเอาปลาแขวนได้ผลเลยคนที่ได้คาถาดี กคาถาทั้งขังจริงน ะ, ะเชื่อไม่เชื่อยกเว้นก่อนเถอะไม่ต้องรู้คาถาแปลว่าอะไรตัวเองจะมีคุณสมบัติตามคาถาหรือไม่ก็ไม่ต้องรู้ไปถึงกส็สวดได้หมดนโมตตาภควโะโตอรหะโตอะไรเงี้ย <c> ป <oughs> อกโดนผีหลอกก็ทั้งผีทั้งควงก็ฟังไม่รู้เรื่อ <c> ง <oughs> ไอ้คนก็หลับหูหลับตาใชาไ <c oughs> นะ้ไปปีวุ้ยเนี่ยไปหนีไปกลัวคาถามันมเรื่อง <c oughs> เรื่องของความขังนะไอ้ไอ้คนนี้ก็ ก็แปลกอยู่แหละทีนี้ถ้าคนไหนแผ่เมตตาได้ก็เอาเอาบทที่เป็นคาถาเนี่ยครับเรียกว่าเรียนในเชิงความหมายแล้วก็ทําความหมายนั้นให้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจก็แผ่ออกไปเป็นลักษณะของเมตตาก็เกิดเมตตามันก็เลยเกิดพลังสองอย่างประกอบกันคือพลังทางขลังและพลังทางเมตตาไอต้ตรงนี้นะถ้าใครที่สนใจเรื่องปฏิบัตินะฮะแล้วก็จะไปแผ่เมตตาไปใช้ลองใช้สองอย่างนี้ก็ได้ ใช้สองอย่างนี้คือใช้พลังสัมผัสด้วยแล้วก็ใช้ในเชิง mm. เชิงเมตตาด้วยเหมือนว่าเราแฝงเมตตาแล้วปากก็ต้องกระถาไปใจเป็นเมตตาสมมติว่านะโมโพธิสัตโตฯอคันติมายะอิติปะกาวาไม่รู้ว่าแล้วอะไรก็กระถาท่องจะรู้เป็นกระถาแล้วก็แปงเมตตาไปนะโมโพธิสัตโตฯอคติมายะอิติปะกาวานะโมคือนึกถึงเข้าด้วยความรู้สึกรัก้งท่องกระถาต้องกลับไนี่เรียกว่าใจสองัองแบบ อันนั้นก็อันหนึ่งอย่างที่ผมว่าตอนต้นแล้วก็เอาการณียเมตตาสูตรเนี่ยไปฝึกเป็นสมาธิเลยไม่ได้ฝึกเพื่อผลในทางสังคมคือผลในทางป้องกันไปหยุดเหนี่ยวน้ําใจหรือทําให้เขาเกิดความเป็นมิตรภาพขึ้นสมาธิก็จะเกิดจนกระทัง่งได้ฌานได้เมื่อได้ทรงตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงได้ทรงสแสดงกรณียเมตตาสูตร เราก็ต้องมาแปลว่าทำํำไมเรื่อกรณีไม่จะสูตรเมตตาไม่มีตานะอย่างนี้ไม่ใชไ่ไม่มีตาแต่ในพระไตรปิฎกจริงจริงเนี่ยครับท่านเรียกว่าเมตตาสูตรมีที่อ้างผมทมําไปแล้วนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มสิบสองที่เรียกว่าเมตตาสูตรทั้งสองที่แต่พอมาปรากฏในพระปริทธิเนี่ยท่านเติมคําว่ากรณียามเมตตาเป็นกรณียามเมตตาสูตร กรณียะแปลว่าอะไรอักรณียะแปลว่าอะไรกริยะแปลว่ากิตที่พึงกระทำอักริยะก็คือกิตที่ไม่พึงกระทำเรียกว่าอักรณียกิจกิตที่พึงกระทำมาลงกับเมตตาก็าหมายถึงเมตตาเป็นกิตที่พิกษพุพึงกระทำความจริงกิตที่พิสูจหรือผู้ปฏิบัติพึงกระทำเนี่ยเป็นประจำในทางภาวนาเนี่ยนะฮะมันมีละ มีห้าอย่างอันนี้พูดขยายให้คพ่มความรู้นิดหนึ่งหนึ่งแผ่เมตตาวันละสองเวลาท่านระบุไว้งั้นนะสองทาปริษหมายถึงสวรพระปริตพระปริตอันนี้หรือปริตอื่นก็แล้วแต่ภัยที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าไปอยู่ในดินแดนที่มี ยักเมีอสุลกายแล้วก็ส่วนอนาธิยาปริให้มันหมอขึ้นเพิ่งใช้ในดังกลับนะแล้วก็สามจเจริญอสุภากรรมฐานวันละสองบทอสุภานั้นช่วยเรื่องอะไรเมตานั้นช่วยเรื่องผูกมิตรปรินั้นช่วยป้องกันภัยอสุภานั้นช่วยทําให้เราไม่หลงไหลในเพศตรงข้างสำหรับชีวิตนะักบวช หรือแม้แต่นักไม่บวชก็ตามด้อยครับเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยปรากฏการยั่วยุอันหนึ่งเนี่ยก็คือไอความรู้สึกกำหนักในเใจตรงข้ามมันจะผุดขึ้นมาสี่มรณะสติเป็นเครื่องช่วยทำให้เราไม่ประมาทนะไม่หลงตัวไม่หลงตัวว่าเราจะอยู่ยงคงคาพันชาตรีแล้วก็ห้า มาหาสังเวคขาแปดมาสังเกเวคขาแปดในหมายถึงการทำหรือพิจารณาถึงสังเวกษธรรมแปดอย่างได้แก่ชาติเป็นภัยชะลาเป็นภัยพยาที่เป็นภัยมรณะเป็นภัยแล้วก็ทุกขติเป็นภัยทุกขติสี่เลยรวมเป็นแปดเกิดแก่เจ็บตายสี่แล้วก็ทุกขติ 4, ลล 8, สี่ 4, 4, คือนรกอสุลกายเปรตเดรัจฉานสี่อย่าง เวลาที่คนระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจขึ้นเป็นวิิยาลัมพาทำให้ขยันกันเพราะนั้นยาขยันของพระนี่คือมหาเสังเวกขาไม่ใช่ยายาบายาบาในกินแล้วก็กลรบมาสานใจไม่ได้เลยต้องใช้มหาสังเวกขาทำให้พระหรือผู้ปฏิบัติทำขยนันเป็นกิจที่พึงดันะเมตตาก็เป็นกิจที่พึงทาอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเนื้อความกรณียเมตสูตรจริงๆหน้าตรงหมายเล่มหนึ่งที่เริ่มต้นแต่ในปริศเนี่ยเขามาแต่งบทเ็าเรียกว่าบทขัดบทขัดบทขัดก็คือบทมาลงข้างหน้าคาถาหรือลงข้างหน้าสูตรเช่นทํามาจากกัปตนะสูตรก็จะมีบทขัดข้างหน้าเป็น คาถาที่โบราณอาจารย์ได้ผูกขึ้นพูดอะไรเป็นเรื่องชักชวนบ้างพูดอ น, นิสงบ้างอย่างบทขับตรงนี้จะเห็นว่าท่านพูดไว้ว่ายักษ์ทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการอันพิลึกเพราะอนุภาพแห่งปริษอันใดอันหนึ่งบุคคลผู้ไม่เกลียดคารานแล้วทั้งกลางวันและกลางคืนฝักใ่ในปริษอันใดจะหลับ และหลับแล้วก็เป็นสุขย่อมไม่เห็นสุบินอันลามกไรไรหมายถึงไม่ฝันในทางร้ายไม่ฝันร้ายเราทั้งหลายจงสวดปริศอันนั้นอันประกอบไปด้วยคุณมีอย่างนี้เป็นต้นเถิดนี่เป็นคำในเบื้องต้นที่ท่านบอกอ ะ, อะไรอะไรไว้เป็นแบบสังเกตครับ จากนั้นก็จึงได้นำเอาเนื้อความตอนสำคัญที่เป็นเนื้อความสาระของบริที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในพระเอาไปใช้เนี่ยครับมีลำดับที่ท่านว่าไว้อย่างนี้กิดนั้นใดอันพระอาเรียเจ้าบรรลุบทอันระงับกระทำแล้วกิดนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำ กุลบุตรนั้นจึงเป็นผู้อาถารและซื่อตรงเป็นผู้ที่ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมาณนะเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายเป็นผู้มีกิจุระน้อยประพฤติเบากายจิตมีอินทรีย์อันระงับแล้วมีปัญญาเป็นผู้ไม่ขนองไม่ผัวพันในสกุลทั้งหลายวิญยูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่น ได้ด้วยกรรมอันใดไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลยแล้วก็จากนั้นก็บอกขอสาธานหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเกษมีตนถึงความสุขเถิดผมว่าแค่นี้และอธิบายบางอย่างให้ฟังก่อนว่าที่เราอ่านตั้งต้นมาจนถึงข้อสามเนี่ยยังไม่ได้เห็นผูงถึงว่าพูดถึงแ่เมตตานะกรรมนะเป็นเป็นเรื่องของการวางตัวนะเป็นเรื่องการวางตัวทั้งนั้นเลย แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้เราคงไม่มีโอกาสจะมาเลียงและอธิบายอะไรกันชัดตรงนี้เนยผมอธิบายสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงถึงการแผ่เมตตาเป็นสาระแต่คนแผ่เมตตาได้ผลในเชื่อไหย ม, มันไม่ใช่สัตว์ว่าแผ่เมตตาอย่างที่ผมบอกแล้วจะต้องประกอบการวางตัวคือต้องอยู่บนพื้นฐาหนของการวางตัวที่ดีด้วยถ้าหากว่าการวางตัวไม่ดีเนี่ยการแผ่เมตตาจะรุ่มรุมดอน สมมติว่าเราเนี่ยอ่าไปอยู่ป่าจะบวชไม่บว่อก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปกินเหล้าเมายาอะไรอะไรตามอยู่ในป่านั่ะพอกตกกลางคืนก็กลัวผีหลอกแผลเมตตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมตตามขาก็ไม่ไม่ขังนะการวางตัวนั้นจึงเป็นตัวเสริมที่สําคัญมากเราจึงพูดกันเสมอไงว่าคนที่ใช้เมตตาที่เขาต่อว่าบนแผ่เมตตาบนใจดวีว่ามี บอก็่ดีเกินไปเมตตาเกินไปแคนั้นก็พูดตามภาษาเขาแต่พูดอย่างภาษาธรรมะเขาว่าเป็นเมตตาที่ขาดองค์ประกอบนะะเป็นเมตตาที่มิได้มีคุณธรรมบริขารที่ดีอย่างเช่นไม่มีปัญญาเมตตายัางไม่มีปัญญาก็ไม่มีอนุภาพกลายเป็นว่ามี อ, อ่ผลเสียตามเข้ามาเยอะหรือเมตตาของคนไม่ซื่อเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามือมือถือปากปากถือสิ่ง มันขัดขัดแย่งแย่ไอ้ตรงนี้นะผมมาจับพฤติกรรมของคนบางคนได้แล้วก็เคยบอกว่าเออคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำสมาธิดีแล้วก็แผ่เมตตาเยอะแต่ว่าเวลาแผ่ก็เกิดพลเดี๋ยวก็เกิดให้ผลร้ายมันมัน ข, ขัดขัดกันอย่างมากเลยไ อ, อ้เราก็มามองรอดเลยก็จึงได้บอกเขาว่าการที่จะแผ่เมตตาให้ได้ผลแล้วมันรื่นตลอดเนี่ยนะฮะไม่มีข้อติดขัด เราจะต้องปรับพฤติกรรมต่อคนที่เราแผ่ไหมถ้าเรายังต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างแล้วก็พอเขายัางงั้นอย่างนี้เราก็จะทำยังไงถึงจะทาให้เขาไม่อย่างงั้นอย่างนี้กับเรามากนะก็มานั่งแผล่เมตตามันก็เลยมันเห็นเห็นเลยว่าคนที่ที่ตัวแผล่เมตตาเนี่ยความรู้สึกมันยังไงก็ไม่รู้มันขัดยแย้งไอ้จะรักก็ไม่สนิทใจไอ้จะเกลีย ก, ก็ไม่ลง มันออกมาในโกษณาอย่างนั้นจริงๆถึงว่าต้องเปลี่ยนใหม่อย่าใช้เมตตาเป็นเพียงเครื่องเยียวยาผลของความชั่วแล้วก็ไม่ตัดความชั่วนั้นออกไปจากพฤติกรรมของตัวดังนั้นเมตตาเป็นสิ่งพึงกระทำแต่ เมตตาจะทําได้ได้ดีได้ผลหรือก็จะต้องมีพื้นฐานที่ดีด้วยคือการจะปลูกเมตตาเนี่ยบางทีไอ้ลาพังเมตตาจะเกิดขึ้นจากพื้นฐานที่ไม่สมบูรณ์มันก็เกิดขึ้นได้ยากนะเห็นแต่ละข้อเนี่ยราจะเห็นว่าคนอาถรรพและก็ซื่อตกอาถรรน์ในหมายถึงอาถรรพในความดีหรือเป็นคนองค์อาจเป็นคน กล้าไม่เป็นคนขี้ขลาดในลักษณะทางพฤติกรรมและความซื่อตรงซื่อตรงใหมายถึงเป็นคนซื่ออย่างธรรมะก็เป็นลักษณะนึ่งเป็นสิ่งดีที่สุดอ่เวลาแผ่เมตตาเนะี่มันควรจะเข้าได้กับความซื่อคนซื่อนี่เป็นเป็นนโยบายที่ดีที่สุดแล้วก็แค่เคริ่มจํเาเลยว่าไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเราซื่อนะแต่ถ้าไม่ซื่อเนะี่ยมันเราก็เห็นแล้วว่ามัน เอาข้อจริงล้ำปิดไม่มีแต่ะคือคนที่มีเล่เหลื่อมเนี่ยเขาพูดอะไรยิ่งพูดยิ่งยิ่งขยายยิ่งเถอคนยิ่งจับพันนะเราเลยห่วงคนประเภทนี้ค่ะสมมุติเจะเขียนจดหมายอะไรเป็นข้อเกี่ยวกเขียนให้จนกระทั่งเขาจับได้โอ้มันมันยังไงก็ไม่รู้เวลาจะพูดอะไรในลันกษณะกรกฏกลื่อนมันก็ประดับประเดิรอ่ะยิ่งพูดยิ่งยิ่งคนลับไม่ลงยิ่งพูดยิ่งขยายยี่งเถอ ถึงขนาดคนที่ตัวแสดงออกเลยเขาก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรนะแต่ทำไมเขารู้สึกก็ไม่รู้จะยิ่งพูดมากก็ยิ่งดูดีเราสังเกตได้จากคนที่มีความซื่อตรงก็มากจะเป็นอย่างนั้น ไม่ซื้อยิ่งพูดนะแล้วก็อย่างที่ให้ยกตัวอย่างนี้มันจะนอกเรื่องไม่ฟังไม่รู้นะแต่ว่าให้มันเห็นชัดบางที่เราฟังในสภาโอ้ยิ่งพูดไปยิ่งยิ่งมไปหวงเมียแะ้วแล้วไมียาให้เขาเกลียดกันมากนักเมื่องทีก็บอกไปแต่ต้นมันจะไม่พูดอย่างเนี้ยพูดไปรู้มาพูดก็พูดอย่างนั้พูดอย่างที่ตัวเองบอกว่าไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่จะพูดอย่างนั้นเลยนะก็ไม่พูดดีกว่าพูดแล้วเราก็เป็นห่วง ความเป็นผู้วางง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมาณ์นะไม่ข่มผู้อื่นอ่าอย่างยกตัวอย่างว่าคนหัวดือ้อคนแข็งกระด้างคนยกตนข่มท่านมันเป็นบุคลิกทั้งคนมีเมตตา เ, เอาละ่ะถึงว่าคนบางคนเลยถึงบทแผลเมตตาเขาก็กแผลแต่ถึงบทเขาหญิงเ้าก็หญิงคือทั้งคิเลศทั้งความดีมันมาโลดเล่กทั้งที่มันขานกันเนี้ยนะ มันเป็นไม่ได้เหมือนกันนะธรรมสองอย่างเนี่ยมันมักค้านกันอยู่ในตัวเองหลายเรื่อง่ะชีวิตจริงๆเราเป็นอย่างนี้มันไม่น่าค้านแค่บางคันเมื่นี้เราบอกว่าคนคนที่บ่นว่าโอ้งานเดียวแล้วเกินไม่มีใครช่วยเสร็จแล้วตัวก็หัวงงานใครจะมาตามก็หัวเงี่นแหละแ ล, ะแ ล, ะและ้วก็บ่นอยู่ตลอดชีวิตเลยเรายิ่งเอาหาคนมาให้ก็บ่นจุกจิกเสร็จแล้วก็คือเสียทั้งขึ้นทั้งรอง嘛 ไม่หาคนมาช่วยก็ปวหาคนมาช่วยก็ไม่เอาหวงเนี่ยเป็นไปนเรื่องความขัดแย้งทีบางทีไม่รู้ตัวเหตุนั้นคนที่มีลักษณะศาสนาทางเมตตาที่ได้ผลแทนเนี่ยจะไม่เป็นคนแข็งกระด้างยกตนข่มคนอื่นแผ่เมตตาและได้ผลขนาดไม่ต้องแพ่ยังได้ผลเลยแค่มาคนที่ไม่แข็งกระด้างไม่ยกตนข่มท่านเนี่ย ไม่ดื้อไม่ด้านไม่แผ้ก็ยังได้ผลยังน่ารักและถ้ามีความจริงใจสวมก็มาอีกหน่อยโอ้โหแน่เหนียดเลยทีนี้แต่ไอคนที่หัวดื้อแข็งก็ด้างแต่ว่าในใจเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นอันตรายกาย็ใครมีแต่ว่ามันก็แย่งแย่งกันอย่างที่ผาว่าจะมีสักกี่คนที่เขาจะทนพอที่จะไปดูเห็นหัวใจของของเรานะ กว่าไอ้ใจทําไม่มีอะไรทําอะไรใครไม่ได้ที่บางคนบอกในพื้นท่านเป็นอย่างนี้ท่านฆ่าใครเวลาต้งเป็นจริงๆ่ะเขาฆ่าคนไม่ได้แต่เขาอดที่จะหยิงไม่ได้เขาอดที่จะแข็งกระด้างหัวเรือไม่ได้เชื่อถือตัวเองถยู่แต่หัวใจนี้ไม่ไม่มีทางจะทําอะไรใครได้ถ้าได้ตรงเงินข้ามคือคนไม่ยกตนก่อนท่านมืออ่อนแต่ตีไม่อ่อนเนี่ย เป็นคนที่ไม่มีเมตตาสักคนก็มีนะเขาเรียกว่าฆ่าคนอย่างเด็ดเดี่ยวก็มีเหมือนกันก็เลยต้องจับคู่ให้ถูกทีนี้ก็้เรื่องจริงอีกเหมือนกันฮะเวลาเราไปบอกเออนี่คุณอย่าอย่าอย่าโหวตให้มันมากนักสิอย่ายกตัวให้มันมากสิอย่าลงตัวให้มากสิเขาก็เถียง ว, ว่าระหว่างเขาก็ไอคนนั้นนะจะเอาใครไอคนนั้นมาเลยงไอคนที่ปากหวานก็เพี้ยวนะไอลักษณะมีอ่อนดีนอนแต่ว่าไม่มีความจริงใจกับใครเลยซึ่งบอเออเราก็รู้จัก ด้วยต้องว่าาวขายบอกว่าเอาคนละครึ่งเอาคนละครึ่งไม่เอาทั้งคนหรอกเอาคนละครึ่งไอ้เราก็ควรจะไปเอาก็มาครึ่งให้เขาก็ควรจะเอาเราไปครึ่งนเอาไปใส่จะให้มันมันพอ ด, ดีพอ ด, ดีตามมาออกมาในรูปนั้นแล้วก็ผู้สันโดษเปลี่ยงง่ายมีธุรกิจน้อยเ ป, ปิดปุ๊บเบาไอ้ธุรกิจน้อยเนี่ยหมายก่าวว่า นี่พูดถึงกรณีของอย่างพระอย่างผู้ปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็จะโยวายวแล้วก็ผู้ผู้สันโดดเรียงง่ายตรงนี้ก็เป็นตัวเพิ่มความน่ารักทั้งนั้นนะครับลำพังตัวเองของคนที่สันโดดคนมากน้อยคนไม่เรื่องมากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีทีนี้เรื่องธุรกิจน้อยเนี่ยถ้าพูดอย่างในระดับเราเนี่ยเราพบความเป็นจริงอันหนึ่งว่า ไอ้ผมเองนะไม่ไม่ได้อยู่อย่างคนบางคนแล้วผมก็เข้าใจเขานะเราสมมุติตัวเราเองนะถ้าเราต้องไปเป็นตัวนักนักธุรกิจไปเป็นนักการเมืองที่ต้องไปเิญหน้ากับข้าราชการไปเิญหน้ากับกลุ่มการเมืองได้กันเราจะไปนั่งยิ้มแผ้เมตตาที่ได้สักแค่ไหนเราไม่รู้ใช่ไหมฮะไปทําธุรกิจก็เหมือนกันหรือไปต้องไปปกครองคนอะไรอะไรเนี้ยเลอสังเกตว่าพระบางองค์เนี้ยบางทีท่านก็เลี้ยง เลี่ยงงานการปกครองเพื่อไม่ให้เสียการใช้พลังความรักเพื่อเป็นสื่อให้ท่านเนี่ยสอนคนได้สื่ อ, อํานวยปรามสะดวกทางด้านนั้นได้เห่นท่านพุทธทาสเลยท่านทําไมปกครองนะท่านไมเอางานปกครองทำงานปกครองเนี่ยพระนี่บนกขาผมมาแล้วเพราไปอินเดียที่วัดพุสินาราท่านพระครูเตียต่างๆ ว, วัดนันดีเนี่ยท่านบอกท่านชอบงานนี้จาก ง, ง, งานปกครองไปตําแหน่งเจ้าพวกเนี้ยว่าทำไมเอา เราเคยเป็นแล้วโอ้พระเดชเนี่มันร้อนไปอยู่ที่ไหนก็คนรับคือเขบอกพระรับเสาผืนชังผืนหนังพระจังเสาผืนเสือเนี่พูดถึงพระแล้วก็โยมด้วยโยมด้วยอยังวยยดัวยยดในกงเทพเนียย้ยไปโยมจะไปเอาความประโยชน์ก็พระก็ะเจ้าแล้วก็มีนะก็มก็เลยออกมาลักษณะนี้ก็เลยบอกว่าเอออาตมามาสร้างวัดนี่ก็เลยตั้งเจ้าวัดพระหนุ่มองค์หนึ่งมาทำงานเจ้า ว, วังให้รับเคราะแทน เราก็มาดูแลโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับไอ้ขอ้อขัดแยง้งมันคือทำตัวให้อยู่เหนือความขัดแยง้งทีนี้กรณีของว่าถ้าคนประพฤติทำเนี่ยนะกิจอะไรที่จะทำให้ธรรมะประพฤติได้ยากแตกการแผ่เมตตาทำได้ยากเนี่ยก็ควรจะปิดเลี่ยงไม่งั้นก็เสียหายบางที เขาเปลี่ยนเราทั้งคู่เลยอย่างคดีของพระในสมัยพุทธเจ้าสกุลสองสกุลก็เป็นโยมกฐ า, า ก, ก็มีลูกชายมีลูกสาวอยากให้แต่งงานกันก็ให้เขามาแต่งงานกันเสร็จแล้วก็ปรากฏเราแต่งแล้วมันไม่ได้กิ่งรองไปหยกทะเลาะกันจนกระทั่งลูกสาวหมีกับบาสไอ้ทั้งนี้ก็โทษเราไปแนะนําผู้หญิงที่ไหนมาไอ้ทั้งนู้นก็แนะนํามาไปแนะนําผู้หญิที่ไหนมาเสียทั้งขึ้นทั้งล่องเลย มันก็เป็นเรื่องที่กิจที่ที่ล้าให้ควรับอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เราประกอบให้ฟังแบบที่เอพอจะเข้าใจง่ายแต่ว่าในมุมปฏิบัติเนี่ยก็มีแง่ลึกตรงไปกว่านั้นแม่ข้ออื่นๆเนี่ยก็ทํานองเดียวกันสรุปรวมความว่าเมตตามีทมีพลังขึ้นจากการวางตัวการวางตัวนี้จะเป็นตัวทําให้เราเนี่ยเจริญเมตตาได้ดีขึ้น แล้วก็เมตตาของเราก็จะมีผลต่อความรูสุกนึคิดของผุ้คลอื่นดีขึ้นจากนั้นท่านจึงได้กล่าวถึงเมตตาซึ่งเป็นกิจที่พึงทําโดยตรงเนี่ยค่ะว่าให้แผ่เมตตาว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดที่เป็นการแผ่โดยไม่เจาะจง แล้วก็แพ่ต่อไปออเป็นลักษณะจ่อจงไปโดยลำดับว่าสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ยังเป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงข้อนี้ท่านหมายถึงคุณสมบัติทางจิตใจของสัตว์สองประเภทนี้ในทั้งหมดไม่เหลือเลย แล้วก็ต่อไปว่าสัตว์เราใดายาวหรือใหญ่หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมหรือผีตรงนี้ท่านหมายถึงทางกายภาพรูปหลานความจริงเวลาแผ่จริงๆกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนะฮะแผอยังทําเมตตาจริงมีวิธีการพิกแง่คิดถึงสัตว์ไปโดยประการลาษาอีกมากมายหลายอย่างซึ่งใช้ได้ทั้งนั้น อันนี้ว่าโดยรูปหลักแล้วก็สัตว์เราใดเห็นแล้วหรือมิได้เห็นอันนี้ในแง่ของการรับรู้หรือการประสบประสบการ์ในแง่ประสบการทั้งเราว่าเราได้เห็นหรือไม่ได้เห็นเคยเห็นเคยเคือจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแล้วแตนะ่เพราะเราเนี่ยเราเกิดมาชาตินึ่งเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสจะเห็นแม้แต่คนไทยทุกคนทั่วประเทศได้หมดทุกคนถูกมและบางคนก็อาจจะ ถูกได้ถูกเห็นหมดทั้งประเทศอย่างในหลวงไงนะก็โดนเห็นแล้วเห็นอีกคนก็อยากจะยื่นชมธรรมดรามีคนที่เป็นใหญ่เป็นโตคนก็อยากเห็นก็มันก็มีทั้งคนไม่ดีก็คนก็อยากเห็นเหมือนกันดูที่หน้าตาเป็นไงคนดีคนก็อยากเห็นแต่นี่ท่านหมายถึงเราเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นสัตว์ถามว่าในบ้านเราเห็นสัตว์ในบ้านแล้วหมดทุกตัวยัง ขึ้นบ้านเห็นตัวทุก ต, ตัวไหมไม่บางทีนี้หนูอยู่บนเพดานกรุบกรอบกลักยังไ ม, ไม่ได้เห็ น, นจนมันตายไปจากนั้นท่านก็บอกว่าขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิด น, นี่เป็นเป็นการให้พรหรือการแผ่เมตตาคือ้ถ้าเป็นว่าโดยคําพูดหรือโดยลักษณะของประลิศเนี่ย เวลาพูดเป็นภาษาบาลีเนี่ยแขังเป็นภาษาที่มีความแขังเราเองเมื่อพูดภาษาบาลีก็รู้สึกพูดแล้วมันให้รสชาติทางคาถาสูงนะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยนี่ให้รสชาติทางสภ า, าวธรรมคือทางรสองไม่ตาที่เราแผ่ออกไปสูงนั่นก็เราก็จําไปอย่างว่าถ้าแผ่อย่างเป็นบาลีให้สวดเป็นรูปบาลีได้แต่ถ้าจะเอามาเป็นสื่อของการ สําแดงความรู้สึกทางเมตตาให้คิดเป็นภาษาไทยเรื่องนี้จริงเลยสมมติเราบอกอาะต่อไปนี้แปลเมตตาอัาเปสัตตาอาเวลาอัปยาปัจจาอานิกาทุกขิปริหา ร, าราลันตุไม่ดูเรื่องเลยความรู้สึกไม่ออกนะฮะกูที่สูงลมก้อนลนก็เหมือนกันแหละฉะนั้นถ้าคิดเป็นคำไทยเนี่ยจะดีที่สุดถ้าจะเอาสาระในทางธารรมคือถ้าได้สองอย่างก็เา ใช้สองอย่างประกอบกัน่ท่านว่าต่อไปว่าสัตว์อื่นอย่าพึงข่มเหงสัตว์อื่นอย่าพึงดูหมิ่นอะไรอะไรเขาในที่ไรๆเลยไม่ควรปรารถนาทุก์แก่กันและกันเพราะความคขี้โกรธและเพราะความข่มแคนตรงนี้นี่จะเห็นว่าลักษณะการแฝงเมตตาออกมาในลักษณะที่ทําตัวตั้งความรู้สึกตัวเองอย่างเป็ น, นกลาง เราคงจําบทแฝ่ที่เราเราแฝดตั้งต่างว่าอาขุมโทนนะทั้งหมอก็ได้ว่าสัพเทสตาอาเวลาอาพยาปัจจาานีกาสุกีอัตานังปริยาละตูเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งเราพูดอย่างเป็นคนกลางว่าสัพทั้งหลายจงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดไอ้นี้เป็นเราเป็นคนที่สองนะระหว่างเรากับคนที่เราแฝ่ให้ การแผ่ตรงนี้เนะี่ยเป็นการแผ่อย่างสร้างความรู้สึกเป็นกลางว่าอย่ามีความทุกข์ต่อกันเลยกรณีอย่างนี้เราถ้าใช้แบบเราใช้ในเชิงพลังเนี่ยเราใช้บ่อยสมดว่าเราเห็นคนก็ด่ากันอย่างหยาบๆนะเราก็นึกเป็นเมตตาว่าเออจงเมตตากันเถิดนะพูดในใจเพรว่าผมมียดาะนะ่ากันเออ มาอยู่กันมาจนมีลูกมีเจ้าขนาดนี้แล้วนะเรามาอยู่ด้วยกันกนะ็เหมือนทาบุญทำกุศลอะไรร่วมกันมาไอที่เป็นเวรเป็นกรรมก็เนี่ยต้องมาร่ำบากร่ำกรรมมันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละอันนี้เรานึกไม่ต้องพูดนะราบฟังพราะเราไม่รู้เาอาจจะไม่รู้จักเขาอะนะแต่นึกในลักษณะที่เราเราแผ่เมตตาเห็นคนเขากำลั ง, งอะเลาะกันเนี้ยเราก็แผ่อย่างเป็นคนกลางเหมือนเป็นคนไกลเกลียดก็จะเห็นว่าถ้าเราไปแสดงความไกลเกลียด้วยการพูดหรือด้วยการกระทําเนี่ยก็เป็นเมตตาขายันกรรม แต่ถ้าเราส่งความคิดไปในขณะที่สัตว์กาลังเดียดเบียนกันอยู่เราได้ทําเมตตามโนกรรมอย่างชนิดที่เป็นเมตตาภาวนาออกไปถ้าทว่าเราจะช่วยใครสักคนเอาง่ายๆนะเขามีปัญหานะปัวก็เมียไม่เข้าใจเรามดว่าเราไปนั่งกเข้าสมาธิอย่าเป็นปัวเมียใครก็ได้หรอ ที่เรารู้สึกว่ารักเขาปาา่าสนามดีเขาอยากให้เขาดีกันเราก็ไปแผ่เมตตาซึ่งผมก็ได้ใช้มาแล้ว เ, เมื่อวันนี้ลองเล็บเลียกเคียมเคียงเคียงสามอยู่พอนานๆเขาก็จะเต็มกันใหม่แล้ให้มันใหมดูดีก็ไอนี้่ึือหมายว่าเราเราต้องให้เขาช่วยตัว เ, เองด้วยนะแต่เราก็พอจะช่วยสนับสนุนด้วยก็เราก็แผ่ให้ให้เขาดีกันให้เข้าใจกันอนะไอยนี้ ก็จะมีผลพอสมควรทีเดียวแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ า, าใครเป็นใครเสือแพ้ยังไม่เจาะจงเนี่ยเรารู้อยู่อย่างนึงว่าสัตว์เนี่ยอยู่ด้วยกันเบียดเบียนกันจริงเราไปเห็นชีวิตสัตว์ป่าเนี่ยนะฮะเรา ก, ก, ก็รู้สึกรู้สึกมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากให้เขาเบียดเบียนกันเวลาเราดูหนังสัตว์ดีเสือโคร่งไล่กวางเนี่ย เราเราลุ้นหรือเรารลุ้นใครอะนะลุ้นใครลุ้นกวางทุกคนนะและท่านคิดเลยว่าคนลุ้นกวางทุกคนทุกคนนะครไอบางคนเนี่ยมันมันมันเนี่ยโมดอะมันชอบการเบียดเบียดมันลุ้นเสือมันลุ้นเสือคืออยากให้ให้จับให้ได้อะไรเงี้ยมันเออใหมพวกนี้ตสงสายชาติแรกมของเคยเกิดเป็นเสือมามันมาเกิดใหม่มันก็เลยไป เรายังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ทีนี้เอาถามใหม่เราเห็นนักมวยไทยต่อยกับนักมวยต่างประเทศจริงอย่างเปี้ยนพวกกันรุ่นใครอะรุ้นคนไทยดีมากที่ตัอไปเรื่อตรงแต่บางคนไม่ชอบดูเลยนะรู้สึกเป็นเรื่องของความเจ็บปวดแต่ที่บางคนที่เขาดูได้เขาก็อดลุ้นคนไทยไม่ได้ เราเนี่ยเนี่ยผมอยากจะแทรกนิดในไอ้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเดือดร้อนในเรื่องสงครามเรื่องอะไรเนี่ยเชื่อไหมฮะว่ามันเป็นวงจรของไอ้กรรมร่วมลักษณะอย่างนี้ว่าเราเองเนี่ยอย่างเช่นว่าเวลาเกิดนี่เราเราพูดในเจตนธรรมะนะแต่ว่ามันอาจจะทางโลกดูฝังไม่ดีเมื่อเราเนี่ยรวมกลุ่มกันอยู่เวลาเกิดสงครามเราก็ต้องเข้าข้างโอ้ใจโยร้องฉลองชัยว่าเราชนะชนะหมายความว่าทาให้คนเหนือยตายนะเรา ตือไม้เข้ามาโอ้เห็นเขาตัดป่าพ ม, ม, ม่ม า, มมามนเนี่ยรักล่ามาต้นมัคือมามคือมาบางคนเห็นนั่นจะได้ใจแป้วอย่างนี้ดีบางคนมันเออดีให้มันหมดประเทศไปเลยปพม่ า, มาเลยอ่าพวกยังเลิกยังอดโมโหยังไม่ได้เอาท้องเข้าไปก็คิดไปแล้วกันอะอย่างนั้นแต่หารู่ไม่มาถึงตัวผมกันถึงตัวแล้วมันเป็นมันกระทบถึงกันน ะ, ะแต่ว่าในแง่ของกรรมเนี่ยเราี่มีส่วนร่วมครั ถ้าเราไม่ใช่เป็นผู้อยู่ออกหน้าอยู่หนุนอยู่หลังก็ได้รับส่วนร่วมข้างหลังแต่มันก็กลายเป็นว่าเรื่องโลกกับวิสัยเนี่ยนะฮะเอาธรรมะจะไปพูดอะไรมากไม่ได้อธิบายเหตุผลให้พระยังมาพูดรุนแรงไม่ได้เว้นแต่ว่าพุทธเจ้าสมัยก่อนนั้นก็อยู่เหนือคือท่านไม่ใช่คนของรัฐใดท่านก็อยู่เหนือปัญหาความปัดญญ์แต่เดี๋ยวนี้พระสังกัดพระไทยสังกัดประเทศไทยเระม่าสังกัดประเทศทประมา่ะมา เพราะฉะนั้นเวลาพระมาลบ ก, กระไทยหลวงพอง่อพวกไาธรรมชติแล้วก็หลวงพ่ออะไรทางใต้นั่นี่ะที่ทําตะกุดทำอะไรก็ต้องเขาค้างนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เรียกว่าให้ความผูกพันในทางโลกออกมาทีนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นมันก็เราเกิดอะไรขึ้นถึงร่วมกันถึงร่วมเวลาเราค้าขายก็เราเลือกปูดแกงขึ้นมาเลือกรัฐบาลขึ้นมาทําการค้าเพื่อจะได้ เงินตราจากต่างประเทศเข้ามาบ้านเรามากๆนะไอ้ประเทศอื่นก็มึงขายขายบุหรี่ใครจะยังไงจ้างมันเถอะนะขอให้มึงขายบุหรี่ให้ได้ไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นการทําลายคนอื่นและเราเองมีส่วนกินเศษกินเลยได้ผลประโยชน์ซึ่งคนอื่นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็พยายามที่จะหลีกเว้นแล้วก็นึกเข้าใจคนอื่นคําว่า สมัยนี้เลยมีเรื่องของการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศอะไรต่างรเนี่ยนะแล้วก็พอเราเริ่มมาเข้าใจไอ้ไอ้สมพันธภาพโดยรวมเนี่ยว่าประเทศไทยวิบัติในทางเศรษฐกิจพม่าอยู่ไว้แล้วพอพม่าก็โดนด้วยมาเลเซียโดนด้วยสิงคโปร์โดนด้วยลดเงินตามไทยเป็นแถวอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องกันกันเป็นแถวเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไห อันนี้ก็พูดในแง่กรรมว่าโลกยิ่งแคบเนี่ยไอเจตนากรรมร่วมในมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยมันก็กระชับเข้ามาโลกแคบกรรมก็แผ่อิทธิพลออกไปมากขึ้นกุศลก็แผ่ออกไปมากขึ้นโอกาสที่ชาวโลกจะร่วมจะตายชีวิตเดียวกันในโอกาสข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีมีแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยอีกหน่อยเราก็ไปทัศนาจร ออกาศได้แล้วมีคนละสามล้านสามล้านไปได้อีกน้อยอาจจะเหลือแค่สักล้านแสนไปกันได้มันก็มัน ก, ก, ก, ก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเลยมีส่วนร่วมไปมองดูด้หลายอย่างเป็นอย่างนี้จริงๆการทำบุญก็จะทำพับหนึ่งปกระเทือนถึงใช่ไหมสมาัยก่อนเนี่ยลองคิดดู ได้พูถึงจุดนี้เนี่ยอาตมาก็มองเห็นได้ว่าเวลานี้ยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยเราก็หางานทำไม่ได้ก่นหน้านี้เนี่ยก็ชาวพมา่าชาวเขมรชาวลาวก็เข้ามาทํางานในประเทศไทยก็เยอะๆตอนนี้คนไทยก็ไม่มีงานทําแล้วแล้วชาวพม่ากขาคงต้องกระทบเหมือนแน่ๆเลยแม้เขมรเขก็ต้องกระทบได้แล้ววานทบโดยเฉพะที่ท่าเลือคลองเตนเนยเย ชัดเจนมากอาตมาอยู่บางคนเนี่ยหางานไม่ได้ทํามาสองเดือนแล้วต้องซื้อข้าวเชื่อข้าวเชื่อข้าวสารมาแล้วก็กินข้าวก็น้าปลามีโยมอยู่ท่านหนึ่งมาม า, มาหลายท่านแล้วมาขอมามา อ, อดออดอาตมาเพราะฉะนั้นอาตมาว่าเห็นด้วยเลยอาจารย์ว่ามันต้องกระทบแน่ๆเลเพราะฉะนั้นได้เห็นดังกล่าวเนี่ยก็ขอเสริมท่านอาจารย์จะพอ ที่ผมกำลังจะว่าต่อ้นี้แล้วก็โยงมาถึงเมตตาในยุคที่เป็นยุคไอโทรคมนาคมเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเจ้าหญิงเลดี้ทำบุญไปได้ทั่วโลกนะถ้าบุญบางทีเนี่ยใช้บารมีเนี่ยพูดแล้วมันกระตือนถึงหมดนะว่าเออไอตรงนี้อย่าทำนะคนนี้ก็มีเสียงหน่อยเนี่ยกัรระเบิดเรื่องกับระเบิด ใ, ใครจะมา พูดแล้วมีผลเท่ากับอคนบางคนพูดคือเรดี้แรนไนฮะนะพูดแล้วก็คนก็กระตือรือร้นกึ่งข่ามก็ไปการอดบุรีข้าศนลดน้ำลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แผลไปอันนี่เป็นเรื่องของยุคสมัยนี้แต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ใช้การสื่อสารทางเทคโนโลยีเราใช้การสื่อสารทางจิตคนแผลเมตตาเนี่ยใช้ทางจิต เรามีสิทธิ์ไหมที่จะแผ่เมตตาให้คนอเมริกาแล้วมันจะมีผลไหมหรือพอไปโอ้คนอเมริกาชังน้ำหน้าเราทั้งประเทศเลยโทษฐานที่แผ่บังอาจแผ่เมตตาไม่รู้ที่สูงที่ต่ำว่าไอ้เราเองเป็นคนประเทศด้อยพัฒนาเศรษฐกิจกําลังจะล้มจะลายอะไรนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็แผ่ไปได้หมดแล้วมันไม่ได้สื่อสารในเฉพาะมนุษย์กับมนุษย์แม้สิ่งไม่มีชีวิตแม้เดรัจฉานเนี่ยนะก็เชื่อมมถึงหด และถ้าจะให้แน่นะเราลองพิสูจน์ได้ว่าเมื่อเราจะไปสามประเทศเนี่ยกลองเดีย๋ยถ้าเราทําสมาธิทําบุญแบบไปแ ล, แปล้วแฝงเมตตาจิตไปแป่งพอฉันจะไปแล้วนะจะไปเรียนแล้วนะฉันจะไปดูงานแล้วนะฉันจะไปติดต่อกับบริษัทนี้แล้วนะแฝงไปถึงและดูที่ว่ามันมีผลไหมมีคนเกลียดไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตในทางบวก ขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือไม่เรื่องนี้นะลองพิสูจน์นะหรือว่าถ้าเอาง่ายๆก็ว่าคนในซอยท่านเนี่ยในละแวกบ้านเนี่ยท่านอยู่ที่บ้านท่านหรือท่านยิ่งไปไปทํากรรมฐานแล้วแผ่แล้วลอเวลาท่านกลับมาแล้วท่านดูเรื่องมีอะไรผิดปกติผิดปกติในทางดีมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราก็ค่อยๆพิสูจน์ด้วยตัวเราเองอันดีที่สุด ไม่แปลกเลยครับที่พระยังหลงพชาพูดภาษาอังกฤษไม่สักคำที่อาจจะได้บางมั้งแต่เราพูดแบบให้มันดูตรงจริงตรนจานว่าไม่ได้ละคำเนี่ยไปเผยแพร่ธรรมะกับฝรั่งที่พูดก็ไม่รู้เรื่องคนละศาสนาด้วยลงหมดเลยครับแล้วก็แพ่กับพวกฝรั่งได้ผลมากกวกใครทั้งหมดก็เห็นจะหลงพชานี่ลมะมั้งท่านเคใช้ใช้ลักษณะทางเมตตา หรือว่าอย่างกรณีของอ่าอย่างอท่านโกเองกาที่มาเย็นละแต่ก็แผ่เมตตาเนี่ยสิ่งที่ใช่ก็คือใช้เมตต า, าเปิดแพร่ธรรมะเนี่ยใช้เมตตาเป็นตัวคุยทางหนักก็ดูแล้วก็แปลกว่าสามารถที่จะทําให้เกิดสำนักเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาได้อย่างแพร่หลายเป็นโรคนี้อย่างหน้าโน้มหมดนะ ถ้าเมตตาดีก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าการต้อนรับอย่างตึงๆนะอย่างพระบุตธเจ้าของเรานะคนเขาทะเลาะกันเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เมตตานะเราจะต้องเป็นที่รักของคนคนหนึ่งก็บติเลียของคนคนหนึ่งถ้าเราใช้วิธีทางโลกถูกไมว่าเออคนไหนเราอยากจะเข้าข้างก็อะไรเราก็เข้าข้างคนนะั้นเราก็เป็นที่รักของคนหนึ่งติเกตียนของคนหนึ่ง แต่ถ้าเรา ม, มีเมตตาในอยู่เหนือใครจะปิดกใครจะถูกเรารู้อยู่ก็จริงแหละแต่เราก็อยู่เหนือแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราช่วยไม้เขาตลอดกันแล้วก็เราก็อยู่เหนือไอ้ความขัดแยง้งอย่างชอบทด้วยไม่ใช่อย่างอย่างประจบนะ่ะอย่างอะไรบางอย่างนี้อยู่เหนือว่ามาแย้งแบบไม่ถูกต้องก็มีเหมือนกันแต่ก็อาจจะอยู่ไปได้ไม่ตลอดคือหมายว่าคนอย่างนี้ผมเอา้าอาจารย์ว่าแต่คนนี้พูดอย่างแต่คนนี้พูดอย่างเนะ่ย คือก็คนนี้ก็เออนั่นไม่แย่มากตามจริงคุณถูกคุณดีเอาไปเจอกันนี้คุณแจ๊ดถ้เจอก็ปอาจารย์นหน้าสองคนไม่รู้จะพูดในด้านไหนเลยโดนเขาไล่ไปอะไรมาเลยเปลียนตั้งคู่เลยทีนี้หาว่าเป็นคนกระล่อนหาว่าเป็นคนที่เอ่เอต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างพูดต่อไปถึงเนื้อความในพระสูตร ท่านตรัสว่าบุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเคียงเป็นธรรมอันไม่ขับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูอันนี้เป็นการกล่าวโดยทิศครับแผ่ไปโดยทิศเจาะจงว่าตัดอยู่ในทิศไหนที่ไหนอย่างที่เราเคยหัดแผ่กันมาแล้วนะฮะส่งความรู้สึกที่ ไม่คับแคบก็คือเมตตาในถือเป็นทําใไม่คับแคบใจแคบใจกว้างเนี่ยเขาดูอ่ากตรงนี้คนมีเมตตาอันถือเป็นคนใจกว้างในภาษาพร ะ, ระถ้าเป็นคนไม่มีเมตตาเนี่ยเป็นคนใจแคบถึงแม้ว่าจะมีพฤติกรรมมอบใจกว้างยังไงก็แคบนะเป็นรูปหนึ่งของความใจแคบคือจะกว้างไปตามขอบเขตผลประโยชน์ของตัวเท่านั้น เ อ, เอายกตัวอย่างจชัดนี่ว่ะเอาว่าเป็นสอส อ, อยู่ที่นึ่งเนี่ยสั่งเลยถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่นี้มาติดต่อสถานีตารวจด้วยรกระตามเนี่ยนะฮผมไม่ขอลาชัดให้อย่างงั้นยังยงัง้นสั่งถ้าบังเอิญผมอยู่บนละครองอยู่อีกฝั่งผมก็หมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์ที่แต่นี้ผมไม่ได้ไปใช้สิทธินะพูดไม่ได้ไปทวงสิทธิ์ก็ไม่เคยกินแต่ใจถ้าไม่จําเป็นคนขาย หมดสิทิที่จะไปใช้สิทธิ์อย่างอื่นเขาเขาบอกว่าอยู่คน ล, ลับรองคนลักรองหรือคนละต้องดีเราไม่ได้ไปส่งค ะ, ะแนนอะไรให้เขาไงนะก็คือกว้างแล้วมันหมดแก่กลองไม่ยอมร่ามกลองอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความใจกว้างจีกงถ้ใจกว้างจริงเนี่ยจะอยู่เหนือขอบเขตเพื่อผลประโยชน์ และท่านตรัสต่อไปว่าผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีนอนแล้วก็ดีเป็นผู้ปราศจากความม่วงนอนเพียงใดอตาตรงนี้ท่านไม่ได้พูดแผ่เมตตาแลวทำให้หง่วงนะฮะคือไม่ต้องการจะพูดอย่างนั้นแต่หมายความว่าคนที่แผ่เมตตาแล้วอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ในเยียาบทใดก็ตามถ้าจิตใจยังสดใสยอยู่ปราศจากความม่วงนอนอยู่เนี่ยอ่า ก็ตั้งสติไว้ได้เพียง น, นั้นคือสามารถที่จะประพฤติตามสามารถที่จะเจริญธรรมในส่วนอื่นให้ยิ่งขึ้นไปได้หมายความอย่างนั้นนะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนั้นว่าเป็นพรหมวิหารในพระาศาสนานี้คือเมตตาพรหมวิหารนั่นเองเป็นเครื่องอยู่อันประเสริฐเครื่องอยู่ในทางนามธรรมบุคคลที่มีเมตตา ไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะหมายถึงปัญญานำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกต่อไปโดยแท้ตัวนี้เป็นเรื่องลึกแล้วครับอธิบายทัางเราคนชอบลึกว่าที่ผมได้พูดแต่แรกว่าที่ท่านพูดถึงเรื่องการแผ่เมตตามาโดยลำดับเนี่ยว่ามันในส่วนประเด็นหลังว่า ท่านสอนให้ได้สมาธิจากการเจริญเมตตานี้ด้วยการเจริญพรหมวิหารเนี่ยก็คือทําให้ได้เมตตาเจโตวิมุตติเสร็จแล้วก็ข้อสิทธิ์ที่บอกว่าบุคคลมีเมตตาไม่เข้าถึงทิ่สุดเป็นผู้มีสิทธิหมายถึงบรรลุโสดาทําวิปัสสนาต่อเป็นบรรลุโสดาจึงว่าถึงพร้อมด้วยยานัตถนะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติของโสดาคําว่าทัตนาทัตนะหรือทัตนามากเนี่ยเป็นชื่อของโสดา และสุดท้ายท่านพูดไปถึงยอดมักคืออรหันว่านำความหมกมุ่นในการทั้งหลายออกย่อมไม่ถึงความนอนในขันทีโดยแท้ทีเดียวแลคือไม่กลับมาเกิดอีกนี่เป็นอรหันแล้วครับ